ความเข้าใจหลักธรรมตามหลักฐานทางวิชาการฉันท์าคือคำหลักที่ต้องยากแยกความหมายให้หายสับสนทางภาษาได้ชี้แจงทำความเข้าใจแล้วว่าความเข้าใจพระมัวสับสนต่อความหมายของความอยากที่มองกันแคบๆ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 และในการใช้พูดใช้เขียนพูดได้ว่าชวนให้สับสนมากจึงต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันให้ดีเบื้องแรกก็นำคำสําคัญที่ซับซ้อนมาตั้งให้ดูแล้วสาสสางให้คลายสงสัยไปตามลำดับเมื่อเข้าใจหายสับสนในคำสําคัญที่ซับซ้อนนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ดีโล่งตลอดขอย้าว่าให้ค่อยๆแยกแยะ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 สันทะโดยทั่วไปแปลกันว่าความพอใจแต่ที่จริงแปลได้มากมายหลายอย่างเช่นว่าความยินดีความพอใจความชอบความชื่นชมความอยากความปรารถนาความต้องการความใ่ความรักความใครเพื่อความสะดวกในที่นี้ขอใช้คำแปลคำเดียวเป็นคำกลางไว้ก่อนว่าความอยาก เมื่อประมวลความตามที่พระอัฏฐกถาจารย์จัดแยกไว้จำแนกได้ว่าชันทะมีสามประเภทคือ 1. นงตันหาชันทะชันทะคือตันหาหรือชันทะที่เป็นตันหาเป็นฝ่ายชั่วหรืออกุศล 2. กาตุกการมยตาชันทะชันทะคือความใคร่เพื่อจะทำ ได้แก่ความต้องการทำหรืออยากทำบางทีถือเป็นคํากลางๆเข้าได้ทั้งกุศลและอ ก, กุศลแต่ในที่ทั่วไปท่านใช้ในความหมายที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีสกุศลธรรมะฉันทะฉันทะในกุศลธรรมหรือธรรมะฉันทะที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีงาม หรือกุศลมักเรียกสั้นๆเพียงว่ากุศลละฉันทะความรักดีความใยดีหรือธรรมฉันทะความรักธรรมะหรือความใยธรรม